ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าเสียงที่กําลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการอะไรถ้าไม่รู้จะบอกไงก็ได้ก็คือรายการธรรมะไอ้ความไม่รู้แบบเนี้มันยังบอกกันได้ทําความเข้าใจกันได้แจ้งให้ทราบกันได้ทราบแล้วก็รู้ได้แต่ความไม่รู้อีกแบบหนึ่งเป็นความไม่รู้ที่แม้แต่บอกชี้ให้ดู ถามให้เห็นก็ยังไม่รู้ความไม่รู้นั้นคืออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าโดนเผาอยู่ไม่รู้ตัวว่าโดนกินอยู่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นกองไฟมันบึ้มๆขึ้นเราเห็นไฟมันลุกโพล่ขึ้นเราก็ป้องกันอันตรายได้ เราจะหลีกห่างจากมันเรารู้สึกถึงความร้อนเราก็ไม่เข้าไปใกล้อันนี้คือไฟที่เห็นเปลวไฟที่เห็นควันมันยังพอจะป้องกันได้หรืออีกแบบหนึ่งคือไฟที่ไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันเช่นฐานเพลิงมันไม่เห็นว่ามันมีควันหรือไฟอะไรตกลงไปร้อนตายอย่างเดียวหรือแบบเปรียบเทียบกับเตารกษ์แตว่าเสียปลั๊กอยู่ มันไม่เห็นว่ามันมีเปลวมีควันอะไรแต่มันร้อนไอ้พวกไฟที่หลุมถ่านเพลิงที่ไม่มีเปลวไม่มีควันหรือเปรียบเทียบกับความร้อนของเตารียดเนี่ยมันอันตรายกว่าไฟที่เห็นเปลวเห็นควันด้วยซ้าเพราะว่ามันป้องกันได้ยากกว่าแต่ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนี่ําำังมันเผาอยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะมันไม่เห็นเปลวไม่เห็นควัน แล้วเวลาเผามันไหมออกมาเป็นกี้เท่าเลยเวลาที่มันเผาเรากัดกินใจเราทำใจเราให้เป็นไปต่างๆนานาเดีย๋ยวเวลากามถูกกรารมาตัญหาเคี้ยวกินจิตใจอยู่ไอ้ตอนนี้มันกินอยู่มันเผาอยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะตัญหาเนี่ยแหละทำให้ไม่รู้สึกตัวว่าถูกเผาอยู่มีความร้อนแผดเผาใน จิตอยู่แต่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวเวลาที่เราถูกยุงกัดแม้แต่ยุงนี่เขาไม่ได้มีฟันเป็นเขี้ยวแบบคนหรือแบบแด็กคล่านะที่เวลามากัดเขาใช้กิยาว่ากัดจริงๆควรใช้ว่ายุงเจาะแต่เวลามันเอาเข็มเจาะแทงผิวหนังของเราเข็มของยุงนะยุงปากเป็นรูเข็มเนี่ยมันเจาะเข้าไป เ, เราไม่รู้สึกตัวนะมันหลั่งสารอะไรออกมามันกําลังดื่มดูดเลือดของเราอยู่ เราไม่รู้สึกตัวนี่คือลักษณะการถูกเจาะถูกยุงกัดคือยุงเจาะนั่นแหละหรือว่าถูกปลิงกินปลิงเขาเกาะที่ขาเนี่ยดูดด้วยเราอยู่นี่เราไม่รู้สึกตัวพวกนี้จึงจัดว่าเป็นอันตรายที่แม้ตัวเราก็ไม่รู้เปรียบเทียบไม่ฟังแต่นะว่าราคาโทสะโมหะทําอันตรายเราอยู่แต่มีอภิชากันอยู่ถ้าให้เราไม่รู้ว่าเราถูกราคา ถูกโทสะถูกโมหะเผาอยู่เจนเราดูกันละเล่นอย่างเงี้ดูทีวีดูฟังดนตรีเออมันก็เพลิดเพลินสนุกสนานดีแต่ว่าราคะเผาจิตใจอยู่ไม่รู้ตัวเลยใน เ, เวลาด่าเขาอย่างงี้แม้ด่าแล้วมันสะใจดีเนีมันคิดว่าดีเลยซ้ําแต่ถูกโทสะเผาอยู่ไม่รู้ตัวเลยเห็นเขามีความชิบหายมีความไม่ดีเกิดขึ้นก็สมน้าหน้า นันถูกความพยาบาทถูกความเบียดเบียนเผาลนอยู่ตัวเองไม่รู้นี่คืออวิชชาจำฝังอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้สึกอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวคือหลับอยู่ตลอดปลุกให้ตื่นก็ยังงวงเหงไม่รู้เรื่องถึงเวลาแล้วแล้วก็เห็นไหมคนที่เราพยายามจะปลุกให้ตื่น แต่บันคี้เศร้ามากๆเลยปลุกตั้ไหร่ก็ไม่ตื่นใช้มือสะกิดบางทีใช้เท้าสะกิดมันยังไม่ตื่นมันหลับอยู่ตลอดแต่วิชาคือความหลับเนี่ยแหละจำ่ังมันทําให้เราไม่รู้ตัวง่วงเหงื่อยู่ตลอดอะไรอะไรไม่รู้เรื่องข้าพเจ้านี่เคยโทรหาคนที่ง่วงเหงสามสี่ทุ่นตทรไปบางคนหลับแล้วเนี่ยแต่ก็โทรศัพท์วางไว้ข้างตัวรับสายขึ้นมาพูดจะไม่รู้เรื่องเพราะหลับอยู่ไม่รู้ตัวหรือบางคนละเมอ ทำนู่นทำนี่ตัวเองไม่รู้ตัวเปรียบเทียบให้ฟังว่าอาวิชามเป็นอย่างนี้บอกอยู่แจ้งให้ทราบมันก็ยังไม่รู้เรื่องไม่ตื่นยังหลับอยู่แต่เป็นผู้มีความหลับไหลด้วยนำนาของอวิชาบังเอาไวา้เพราะใะวิชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ตัวอวิชามท่านฟังคือความไม่รู้คือมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดพระเาเบรีบเทียบกับคนที่กําลัง อยู่ในในกระแสน้ําในน้ํานี่ยกำลังไหว้ล่องตามกระแสแม่น้ําด้วยเหตุความเพลิดเพลินใจมีคนหนึ่งเขาอยู่บนฝั่งเขาบอกว่าคุณคุอย่าไหว้ล่องตามนี้น้ํานี้ไปเพราะว่าข้างล่างมันเป็นน้ําตกน้ําตกแล้วตรงนั้นมันก็มีน้ําบนมีอสูรกายมีผีเสื้อสมุทรอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไปถึงนี้ต้องตายแน่ไอ้คนนั้นก็ไม่รู้เรื่องของการไหว้ําล่องตามน้ําด้วยเห็นความเพลิดเพลินใจอยู่ไป นัคือไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดนั่ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดก็เหมือนกับพวกตาบอดคำช้างนั่นแหละคลามตรงนี้ก็คิดว่าชางง้างเหมือนงูคลามตรงนั้นก็คิดว่าช้างเหมือนพ่อมจับอีกที่นึงก็คิดว่าช้างเหมือนเสาแล้วมันไปคนละเรื่องราวแล้วเพราะความไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดหรือเหมือนกับกบในกะลาแต่ก็คิดว่าเท่านี้แหละคือโลกเห็นอยู่แค่นี้แต่ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมด อวิชาคือความที่ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดท่านฟังบอกให้ตรงนี้อย่าทำมันก็ยังทำเพราะว่าตรงนี้ให้ทำมันก็ไม่ทำาแต่เพราะว่าไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดนั้นหลับอยู่ไม่รู้ตัวเตือนให้ฟังว่าตรงนี้ถูกเผาอยู่ถูกกินอยู่ให้รักษาก็ยังไม่รู้สึกตัวอวิชาท่านฟังคือความไม่รู้คือความที่ไม่รู้วิชา ไม่รู้อริยสัจสไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรแค่นี้ยังไม่พอยังไม่รู้ด้วยว่าทุกข์เนี่ยมันต้องทํำยังไงไม่รู้ว่าตัณหาเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยช้ำว่าตนณหาที่ต้องทํากับมันยังไงหรือไม่รู้แม้แต่ไอความดับไม่เหลือของตัณหาไม่รู้แม้แต่มรรคก็ไม่รู้ด้วยว่าความดับไม่เหลือของตัณหามันต้องทํำยังไงแล้วก็มรรคนี้ต้องทํำยังไงอวิชชาคือความไม่รู้แต่ระวังมันครอบงํา ใจิตใจของเราเหมือนกับเราอยู่ในหอ่อในซองอะไรสักซองใดซองหนึ่งกันนะอย่างที่ว่าก็คือเหมือนกบอยู่ในกะลาแต่ในบูฟังเป็นคนสมัยใหม่าจะไม่เคยเห็นกบเอาเหมือนกับซองจดหมายนี่ก็ได้ถูกหุ้มห่ออยู่มองไม่เห็นหลักข้างในคืออะไรไอ้คนที้อยู่ข้างในก็มอม่เห็นข้างนอกหรือเหมือนไข่ไก่เนี่ยลูกไก่เจี๊ยบถูกฟองไข่หุ้มห่ออยู่มันไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นอะไรอยู่แต่ข้างใน หรือเหมือนกับว่าเราอยู่ในกลุ่มเมฆมีหมอกลงหมอกลงหนาขึ้นหนาขึ้นทัศนวิสัยแย่ลงแย่ลงถ้าใครเคยอยู่ในสถานการณ์หรือสภาวะอากาศที่มันมีหมอกจัดๆอย่างนี้หรือฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยทัศนวิสัยไม่เกิน10เมตรจะเอาเครื่องบินขึ้นก็ไม่ได้จะขับรถต่อไปข้างหน้าก็ไม่ได้เปรียบเหมือนอวิชชาเนี่ยต่ระวังมันครอบงําจิตใจของเรา มองไม่เห็นมืดเห็นได้สั้นๆแตนะ่เป็นพวกที่มีวิสัยทัดสั้นนะคือไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดรู้แค่สั้นๆตรงนี้แตนะ่แต่ไม่มองเหยาวๆไม่มองไกลๆลักษณะของมันเป็นอย่างนี้มีการหุ้มหอ่อมีการปิดบงังมีการที่ทําให้ไม่เห็นมีการที่หลอกลวงแนะบังอยู่ไม่เห็นกลุ่มเมฆค่อยหนาขึ้นหนาขึ้นหมอกจัดขึ้นจัดขึ้น เห็นได้สั้นลงสั้นลงนถูกหุ้มห่อรัดรึงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นตันหาอาวิชามันจะค่อยคืบคลานไปลักษณะนี้แล้วยิ่งถ้าเจ้าอาวิชานี้มันมีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันยิ่งเจริญขึ้นต่ขึ้นอวิชานี่ละมีอาหารทฟังอาหารของอวิชาก็คือสิ่งที่ทำให้มีความมืดมัวครอบงาปิดบัง เป็นเหมือนเครื่องหุ้มหอ่อนั่นคือนิวร น, นั่นเองนิวรนี่เป็นเหมือนเครื่องหุ้มห่อใจห่ อ, อไว้รัดรึงเอาไว้ปิดบังเอาไว้เมฆหมอกคลุมเอาไว้พอยิ่งคลุมมากคลุมมากขึน้นไอ้อวิชาคือความไม่รู้สอย่างที่พูดถึงเนี้ยมันยิ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นพ อ, อวิชายิ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นตัณหามันก็ยิ่งพง่าพูนขึ้นเพ่าพูนขึ้นมันก็ยิ่งรัดเรื่องเราแน่นขึ้นแน่นขึ้น ยิงดึงเราลงต่ำลงต่ำมากขึ้นมากขึ้นจนไปถึงนู่นนะโรคกําเนิดเดรจานเปรตวิสัยแต่เพราะมีตันหามันจึงดึงเราลงต่ำตันหาพอกพูนงอกเงยขึ้นได้เพราะเอาวิชามันมาบังอยู่มันมาครอบงำอยู่อวิชามีอาหารของมันทําให้มันโตขึ้นครอบงำได้มากขึ้นนั่นคือนิวรณ์แม้ตัวนิวรณ์เองมันก็มีอาหารอาหารของเจ้านิวรณ์นั้นก็คือความที่เรามา มีการพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดียิ่งพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีจิตใจก็ขมุกขมัวหมัวหมองมากขึ้นเศร้าหมองมากขึ้นอวิชาครอบงำมากขึ้นตั้นหายิ่งมากขึ้นตั้นหายิ่งมากขึ้นชีวิตยิ่งลงต่ำยิ่งลงต่ำยิ่งทำชั่วมากขึ้นทำชั่วมากขึ้นไม่มีการสารวมอินเซไม่มีการรู้จั wrote, จ Ele, més, ก athlete, ar, query, ที่ป้องกันตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้เจ้าทุจริตสามอย่างก็ยิ่งเจริญมากขึ้น สุจริตสอย่างจะไดมากขึ้นนิวรณ์ก็โตขึ้นนิวรณ์โตขึ้นอวิชาก็มากขึ้นอวิชามากขึ้นตันหามากขึ้นยิ่งลงต่ํายิ่งลงต่ ำ, ย, งงตำยิ่งเป็นผู้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะนะไม่ต้องพูดถึงการสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะก็ไม่มีพอไม่มีสติสัสมปชัญญะอย่าไปพูดถึงการสำรวมอินทรีย์มันทําไม่ได้สำรวมอินทรีย์ไม่ได้ยิ่งทําชั่วทางกายวาจาใจทําทชั่วทางกายวาจาใจมากขึ้นนิวรณนก็ยิ่งครอบครับ ครอบงำวิชาก็ยิ่งพอกพูนอวิชายิ่งพอกพูนนิวรณ์ก็ยิ่งดึงลงต่ําดึงลงต่ํามันก็ยิ่งจะไม่มีการพิจารณาไม่เห็นว่าอะไรควรทําไม่ควรทําไม่มีการที่จะโยนนิสโสมนสิกานไม่มีการที่จะทําในใจโดยแยบกายพอไม่ทําในใจโดยแยบคายไม่คิดไม่มีอะไรมันก็ยิ่งไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะสมุปมินทร์ไม่ท่องผูดถึงทุจริย3ามอย่างก็ยิ่งงอกงามเพอยิ่งเจริญขึ้นอวิชายิ่งกินหมักขึ้น ยิ่งกินหนักขึ้นตันหายิ่งมากขึ้นพอกพูนขึ้นยิ่งดึงลงตำ่ำยิ่งดึงลงตำ่ำอย่าไปพูดถึงว่ามีศรัทธาศรัทธาก็ไม่มีศรัทธาไม่มีจะไป ม, มีอะไรการที่จะทําในใจโดยแยบขายพอไม่ทําในใจโดยแยบขายสติสมัมปชัญญะก็แย่ลงแย่ลงสติสมัมปชัญญะแย่ลงการสำรวมอินทรีย์ไม่พูดถึงเลยทำฟังมันไม่มีการสําสรวมอินทรีย์ไม่มีพูดคิดทํามันจะไป ม, มีอะไรมันก็พูดชั่วคิดชั่วทําชั่ว อิมพูช่วยคิดช่วยทาช่วยนิพพานยิ่งมากขึ้นนิพพานยิ่งมากขึ้นอวิชา ย, ยิ่งพอกพูนอวิชา ย, ยิ่งครอบงามแล้วตัณหา ย, ยิ่งเจริญตัณหา ย, ยิ่งมากขึ้นก็ลงตา่าลงต่ําลงต่ำลงมันก็ไม่ได้ฟังธรรมนะไม่ฟังธรรมศรัทธามันจะไปเกิดได้ไงเพราะศรัทธาไม่เกิดมันไม่มีการทําในใจโดยแยบกายไม่ทําในใจโดยแยบกายสติสัมปชัญญะไม่มีไม่มีสติสัมปชัญญะการสมบรณ์อินทรีย์ไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีการสมบูรณอินทรีย์ กายวาจาใจก็ไม่ได้รับการควบคุมมันก็ทําผิดทําผิดแล้วนิวรห่างก็ยิ่งพอกพูนนิวรห่าง ม, มากขึ้นอวิชาก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นตันหามันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นยิ่งดึงคุณลงต่ํายิ่งดึงคุณล้มต่ำทําไมไอ้คนดีๆเราก็ไม่ไปคบนะคบหาสัตวรุษไม่มีพอไม่คบหาสัตวรุษจะไปได้ฟังธรรมได้ไงพอไม่ได้ฟังธรรมมันยิ่งไม่มีศรัทธา ไม่มีศรัทธาปุ๊บมันก็ไม่มีการทําในใจโดยแยบกายไม่คิดพิจารณาอะไรให้ดีให้ถี่ทุ่นท่องแท้พอไม่มีการคิดพิจารณาอะไรสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เกิดพอไม่มีสติสัมปชัญญะในการสํารวจอินทรีย์ไม่ต้องพูดถึงพอไม่มีการสํารวมอินทรีย์กายว่ า, าใจมันก็เป็นทุจริตกายว่ า, จาใจทุจริตแล้วนิวรหะก็ยิ่งเจริญ น, นิวรหะยิ่งมากขึ้นตัณหาก็ยิ่งหนาแน่นหนาแน่นและหนาแน่นมากยิ่งขึ้น แน่นจนกระทั้งมันหนักตันหาหนักหนักด้วยตันหาก็ต่ำทาจนไปถึงนรกเกิดในรชาญเปรตวิสัยนี่แหละท่านบ้ฟังอวิชามันชั่วร้ายขนาดนี้มันปิดบังห่อหุ้มเราขนาดนี้บังมาตลอดสังสารวัตรแล้วบังมาจนทุกวันนี้ก็ยังบังอยู่ถ้าคุณยังไม่เป็นพระอรหันต์คุณมีอวิชาบังอยู่แน่นอนอวิชานี่แหละท่านฟัง ฤาษีบอกว่าเป็นมนทินอย่างยิง่งบางทีเราพูดถึงเมฆหมอกมันมาบางังพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วมันก็ทําให้มีความเศร้าหมองในพระจันทร์พระอาทิตย์วิชาเนี่ยมันครอบงําจิตใจของเรามันบังอยู่อ่อคุ้มอยู่อ๋อคุ้มแล้วมันรัดรืงด้วยตันหามันยิ่งดึงเราลงต่ําและถ้ายิ่งปิดเอาไว้มันยิ่งเจริญยิ่งปิดบังเอาไว้มันยิ่งงอแงา ม, มากยิ่งขึ้น อย่างถ้าเรากําลังทําอะไรไม่ดีอยู่เนี่ยพอมีคนถามก็บอกไม่มีอะไรนั่นอวิชามันโตขึ้นนิดหนึง่งแต่เช่นคุณกําลังเล่นเกมอยู่ใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมอยู่แต่พอแม่ถามอ่านหนังสืออยู่ครับนั่นปิดบังแค่นี้ทั้งหมดอวิชามันเจริญมากขึ้นเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของมันคือการครอบงําธรรมชาติของมันคือการปิดบงังธรรมชาติของมันคือการหุ้มห่อไว้เรายิ่งสร้างธรรมชาติให้มันโตได้มากยิ่งขึ้น นะคุณดูสื่อลามอกอยูนะ่พอแม่ถามบอกทํารายงานอยู่ครับจิตนะใจก็ยิ่งถูกหุ้มห่อรัดรึงเพราะการที่เราปิดเอาไว้ในทางคําสองของพระเจ้าจึงแนะนําให้พระสงค์เนี่ยเปิดออกเปิดความผิดของตัวเองออกคลี่ออกชี้แจงให้เห็นว่าตัวเองทําผิดอะไรพอชี้แจงให้เห็นว่าตัวเองทําผิดอะไรแล้วหยุดกระบวนการที่ว่าถึงนี้หนะยุดกระบวนการที่จะทําให้อวิชามันห่อหุ้ม ให้ตันหามันรัดรึงให้สิ่งที่เป็นอกุศลมันบอกผุนหยุดหยุดหยุดหยุดกระบวนการนี้ด้วยการตัดอาหารของมันด้วยการสร้างธรรมชาติที่มันจะโตขึ้นไม่ได้อย่างเช่นถ้าเราจะพูดถึงว่าสิ่งที่อยู่ในสภาวะที่มีความชื้นสงูงแต่มีความร้อนสงูงมีประจุไฟฟ้ามากอันนี้จะทําให้เกิดสนิมได้คุณอย่าสร้างสถานการณ์แบบนั้นให้เกิดขึ้นกับก้อนโลหะของคุณแต่เช่นเดียวกันสนิมของจิตมีอยู่ มันจะทําให้สนิมเกิดได้เมื่อสภาวะนั้นเอื้ออำหนวยต่อการเกิดสนิมของจิตไอ้อย่างที่ว่ามานี่แหละไล่มาตั้งแต่เรื่องการที่เราไม่คบคนดีไหนไม่คบคนดีไม่คบหาคนที่เป็นสัตว์บรุษคนดีเราจะไม่ได้ฟังธรรมได้ไงพอไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้ธรรมะคุณไม่เคยฟังธรรมอย่างรายการธรรมะรับุริญเป็นต้นอย่างเงี้ยคุณก็ไม่มีศรัทธาพอไม่มีศรัทธาการทําในใจมันก็ไม่เกิดขึ้นมันไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยคิดที่จะพิจารณา พอไม่มีการทำในใจโดยแยบขายสติสัมปชัญญะไม่ต้องพูดถึงมันไม่เกิดพอไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะตาหูจมูกเล่นกายใจก็ไม่ได้รับการควบคุมแตนะ่ไม่ได้รับการควบคุมก็ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมอินทรีย์กายวาจาใจก็เป็นกายวาจาใจที่เป็นทุจริตแตนะ่มีทุจริตทางกายวาจาใจมากขึ้นมากขึ้นนิวรณ์ก็พ่อปูนบอกปูนนิวรณ์พ่อปูนนั่นแหละคืออาหารของอวิชชามันยิ่งกรอบงำห่อหุ้ม แต่าอมีครอบงาห่อหุ้มตันหามันยิ่งโตยิ่งดัดรึงอย่างที่ว่าไปเพราะฉะนั้นเราอย่าสร้างองค์ประกอบที่จะทําให้เกิดตันหาอย่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ตันหามันโตได้ไอีที่ปิดบังนั่นละ่ะมันยิ่งจะโตแล้วเปิดออกทำฝั ง, งคลี่ออกทําความแจ่มแจ้งมีความปิดใดๆเปิดเผยออกมาอะไรที่เราทําไม่ดีแก้ไขซะเดี๋คือการเปิดเผยนี่กับการแก้ไขนี่มันคนละแบบนะ คือเปิดเผยความผิดอาจจะยังไม่ได้แก้ไขแตเปิดเผยความผิดแล้วแก้ไขด้วยอะไรที่ทำไม่ดีก็ทำให้มันดีขึ้นด้วยวเราจะทำให้มันอ่อนกำลังลงได้วิธีที่ทำให้อวิชชานั้นมันดับไปได้ก็คือต้องทำวิชารให้เกิดขึ้นต้องทำให้อวิชชามันอ่อนกำลังลงไปทำวิชาให้เกิดขึ้นนะเปิดไฟสิมันมืด อ, อยู่ก็เปิดไฟนะฝนตกหนักหรือว่าเมฆหมอกมาเขาก็เปิดไฟตัดหมอก ทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นเอาของดีใส่เข้าไปทำอาหารให้กับวิชาหลังจาวิททมวิชาความรู้ความแจ่มแจ้งให้มันโตขึ้นได้คุณก็ต้องให้อาหารกับมันให้อาหารกับวิชาวิชาคือความรู้ความรู้นไหนอะไรรู้สึกตัวเดิมฟังรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราถูกราคาโทสะมงะเผาอยู่รู้สึกตัวคือรู้สึกตัวตื่นขึ้นได้แล้วลุกขึ้นได้แล้วเป็นผู้ประกอบอยู่ในความเพียนอันเป็นเครื่องตื่น อาจจะหลับอยู่แต่ไม่เปลอสติเตื่นอยู่ด้วยสตินั่นเองความรู้วิชาคือรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าตรงนี้เราอยู่ที่ไหนรู้ว่าตอนนี้มันจริงหรือปลอมความรู้คือวิชาคือรู้ในเรียสัจสี่นั่นแหละรู้ว่าตันหามันมีรู้ว่าตันหานี่ต้องทำยังไงกับมันคือต้องละมันตันหายอย่าไปเก็บไปไว้รู้ว่าทุกมีไหมมีรู้ว่าต้องทายังไงกับความทุก พวกนี่มไม่ใช่ของที่ควรละแต่เป็นของที่ควรทําความเข้าใจให้มันรู้ตรงนี้มีวิชาคือความรู้ว่าไอความดับไม่เหลือของตนามันมีมันต้องทําให้แจ้งอย่าไปกลัวนิพพานอย่าไปกลัวนิโรธแต่ให้ทําให้มันให้แจ้งกันได้มีความรู้ในมักว่ามักคือเส้นทางาอะไรมักไม่ยงมแปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้มากๆทําให้เจริญ จะทำวิชาคือความแจมแจ้งให้ปรากฏขึ้นได้เพื่อที่จะดับอวิชชาในตัณวังรู้ไหมว่าต้องทำยังไงถ้าไม่รู้จะบอกให้บอกแล้วจะได้รู้จะทำวิชาคือความแจมแจ้งให้เกิดขึ้นได้คุณต้องมีโพชงเจ็โพชงคือองค์ทำแห่งการตรัสรู้ธรรมเราต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นโพชงเจ็นี่แหละเป็นอาหารของวิชาเป็นอาหารของวิชาบิมุ จะทำโพชง7ให้เกิดขึ้นได้คุณต้องให้อาหารโพชง7จ็ดเขอาหารของโพชง7คืออะไรถ้าไม่รู้จะบอกให้จะได้รู้นั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐาน4ที่เราฝึกในการที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจนี่แหละคือสติปัฏฐานทั้ง4เป็นอาหารของโพชง7โพชงจเจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นมันจะทําวิ ช, ชาให้เกิดขึ้นได้จะทํายังไงให้สติปัฏฐาน4ี่มันจเจริญขึ้น งองงามขึ้นได้ท่านผู้ฟังรู้ไหมถ้าไม่รู้จะบอกให้จะได้รู้นั่นคือสุจริตสามอย่างกายว่าจจใจอันเป็นสุจริตเราทํากายว่าใาใจให้เป็นสุจริตแล้วสติปัฏฐานทั้งสี่มันจะยิ่งแจ่มแจ้งขึ้นมั่นคงขึ้นมีสติปัฏฐานสี่มั่นคงดีแล้วโพชงเจ็ดมันเริ่มแจ่มจรัสมันจะเริ่มเป็นเนื้อเป็นหนังมันจะเริ่มเป็นมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ขึ้น จะทําวิชาวิมุติให้เกิดขึ้นได้แล้วทําอย่างไรถึงจะทําให้เจ้ากายวาจาใจของเรามันบริสุทธิ์ดีขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นได้ท่านผู้ฟังรู้ไหมถ้าไม่รู้จะบอกให้จะได้รู้วิธีที่จะทําให้กายวาจาใจของเราดีขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นคือการที่เราต้องรู้จักการสรํารวมอินทรีย์มีการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ว กายวาจาใจเราจะเริ่มบริสุทธิ์มากขึ้นกายวาจาใจบริสุทธิ์มากขึ้นในสติมันตั้งขึ้นได้สติตั้งขึ้นได้โอชง7ก็เริ่มจําจรัดเกิดขึ้นได้วิชาวิมุตติก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วเราจะทํำยังไงให้เจ้าการสำรุจอินทรีย์นั้นมันโตขึ้นได้อะไรเป็นอาหารของการสํารุจอินทรีย์นั่นคือการที่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองพอมีสติสัมปชัญญะการสำรุจอินทรีย์ก็มีขึ้นตั้งขึ้น มีการสมรู้อินทรีย์แล้วกายวาจาใจก็เริ่มจะเป็นกายวาราใจที่ทําความดีมีความบริสุทธิ์สติปัตตาเนสสิกก็ตั้งขึ้นนะมีโพชฌงเจ็เกิดขึ้นมีวิชาวิมุตอวิชาดับไปได้แล้วเราจะทํายังไงให้เราเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแต่คุณต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องแต่ต้องให้อาหารมันให้อาหารกับสติสัมปชัญญะนั่นคือการทําในใจโดยแยบกายการทําในใจโดยแยบกายก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารทําให้โตขึ้น ทำให้เจริญขึ้นได้อาหารคือสิ่งที่จะทําให้เจ้าโยนิโสมนัสิการคือการทําในใจการพิจารณาโดยแยบคายแจ่มแจ้งขึ้นโตขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นคือการที่เรามีศรัทธาจำบังมีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าพอคุณมีความมั่นใจในคําสอนของพระุทธเจ้าแล้วเราจะเริ่มมีการที่จะพิจารณาใช้ความเพียรในการที่จะเอาความชั่วออกจากใจเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้าไปในใจนั่นคือการโยนิโสมนัสิการการพิจารณาโดยแยบคาย พอจิตเราเริ่มเป็นอย่างนี้มีกุศลธรรมเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะมันก็เริ่มตั้งขึ้นมามีสติสัมปชัญญะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็มีการรักษามีการรักษามีการสรมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมอินทรีย์แล้วการพูดการคิดการทํามันก็เริ่มเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์พอมีการพูดคิดทําบริสุทธิ์มากขึ้นดีขึ้นสติปัฏฐานทั้ง4ี่ก็เริ่มตั้งขึ้น4แห่งมีสติปัฏฐานทั้ง4แล้วโพชฌงเจตก็ตั้งขึ้นได้เจริญขึ้้นได ถามว่าเราจะทำยังไงให้เรามีศรัทธาถ้าดันฟังไม่รู้จะบอกไงพระพุทธเจ้าบอกไว้นั่นคือการที่เราได้ฟังธรรมนั่นเองุณมีการฟังธรรมุณจะมีศรัทธาวันนีครับพุทธเจ้ารู้สึกว่าไอรายการธรรมะเรบรุญเ น, นี่ยเวลามันน้อยไปเลยกันนะมันปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเวลา ม, มันจะหมดแล้วแต่เราจะให้ไอีความไม่พอใจความที่เรารู้สึกขัดเคืองมันครอบงําจิตใจเราไม่ได้เพราะเราได้ฟังธรรมไอการฟังธรรมนี่แหละ มันจะทำสัตธาความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในใจพอมีความแจ่มแจ้งแล้วนคุณจะเริ่มมีการทำในใจโดยแยบขายทำใ น, ในใจโดยแยบขายมันก็มีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นมาได้ มีสติสัมปชัญญะแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้รับการควบคุมมีการสรํารวมอินทรีย์เวลาพูดคิดทํามันก็เป็นไปในทางที่เป็นสุจริตบริสุทธิ์มากขึ้นสติปัญญาทั้งสีก็ตั้งกันได้พอสติปัญญาทั้งสีตั้งขึ้นได้โพชงก็มีฐานในการรองรับพอมีโภชงฐานในการรองรับมันทําความแจ่มจัดคือวิชาบิมุนให้เกิดกันได้ถามว่าทํำไงคุณถึงจะได้ฝั่งทํามครูช้าบอกเวลาท่านู้ฟังให้ความรู้ไว้แล้วคือการครบกับคนดีนั่นเอง เราฟังมีข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้มีพรุทธเจาเป็นกัลยาณมิตรมีข้าพเจ้าเป็นกัลยาณมิตรมีธรรมะเป็นกัลยาณมิตรมีมรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นการคบสับรุดเป็นการคบคนดีเราจะได้ฟังธรรมพอมีการฟังธรรมแล้วมันจะมีศรัทธาหรืออีกในย่าหนึ่งนะท่านผู้ฟังเราได้เจอทุกเนี่แหละคนที่มีทุกแล้วเราก็จะมีศรัทธาได้ เอามีทุกแล้วจะมีศรัทธาได้ไงเอามันก็ต้องมีการฟังธรรมมาสิแตมีทุกคุณได้ฟังธรรมอ่ามีทุกได้ฟังธรรมแล้วมันจะอาหาได้ไงมีทุกได้ฟังธรรมแล้วมันจะรู้ว่ามีทางออกแห่งความทุกขนี้สักหนึ่งหรือ2วิธีที่คุณหนึ่งก็แก้วไว้แล้วพระพุทธเจ้าแก้ไว้แล้วพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แล้วพอเรามีทุกขเราได้ฟังธรรมเราจะมีศรัทธามีความมั่นใจในการตรัดสู่ว่าโอ้วิธีนี้ล่ะมันแก้ปัญหาได้ เราจะมีการพิจารณาเราจะมีการทำในใจโดยแยกกายเราจะมีการที่คิดพิจารณาใกล้ควรโดยระบบแห่งธรรมะมีความคิดพิจารณาใกล้ควรด้วยความเป็นระบบแล้วสตินั่นแหละเกิดขึ้นตรงนั้นเลยมีสติแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้รับการรักษามีการควบคุมมีการสํารุมอินทรีย์การพูดการคิดการทําของเราก็เป็นไปใ น, ป น, ป น, ปนแนวทางที่บริสุทธิ์มากขึ้นมีอะไรไม่ดีมากระทบเราเกิดความทุกข์ปุ๊บนี่ยเราจะพูดดีคิดดีทดําดีออกไปได้ แตพราะจิตใจเรามีการฟังธรรมะมีการคิดที่เป็นระบบพอเรามีการพูด ด, ดีคิดดีทําดีแล้วสถิติปานทั้งสมันก็ตั้งขึ้นได้เป็นฐานได้อย่างดีตั้งมั่นอะไรตั้งอยู่วันนี้โพชฌทั้ง7มีโพชฌงคจ็คือองค์ธรรมในการตรัสรู้แล้ววิชาวิมุตติมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาวิชาวิมุตติแจ่มแจ้งขึ้นแล้วอวิชามันก็ดับไปอวิชาดับไปแล้วจะต้องไปพูดอะไรอีกแต่มันก็ออกจากกาลานั่นเองมันก็เห็นช้างทั้งตัวนันเอง มันก็แจมแจ้งไฟมันเปิดอยู่แจมแจ้งอยู่ตลอดเวลามันก็รู้ว่าถูกเผาอยู่ก็ดับไฟซะรู้ว่าถูกกินอยู่ก็สลัดไอ้สิ่งที่ถูกกินนั้นออกซะเห็นช้างทั้งตัวเห็นว่าอะไรคืออะไรมันก็ตื่นนลยสิตื่นได้แรงตูมฟังตื่นด้วยธรรมะแต่แม้เราจะเองกายอยู่แต่ใจเราตื่นตื่นด้วยการที่เราเป็นผู้ที่มีสติมีสติอยู่ในโลมหายในี่แหละมีสติที่แจำจัดอยู่ในจิตนั่นแหละ เวลาหมดแล้วทำไม่ฟังเวลามันมีแค่นี้จบก็ได้จบก็จบจบไหมจบสิเพราะมันมีวิชาแล้วมีความรู้แล้วมีความตื่นแล้วจบได้แล้วบางทีเวลาน้อยเนี่ยเราคิดไปเองเหมือนอย่างอาหารข้าวยากมากแพงนี่อาหารแพงขึ้นของแพงขึ้นก็บอกคิดไปเองไม่ว่าเวลามันจะน้อยจริงๆหรือว่าข้าวของมันจะแพงจริงๆหรือแม้แต่เราคิดไปเองก็ตามถ้าเรามีความรู้ คือรู้สึกถ้าเรามีความรู้คือรู้ตัวถ้าเรามีความรู้คือรู้เรื่องถ้าเรามีความรู้คือรู้อริยาาสัจ4ี่แล้วมันจบจริงๆตั้งแต่วัมันสบายใจมันตื่นด้วยความรู้แจ้งตื่นด้วยความรู้จริงเวลามันจะมากหรือเวลามันจะน้อยมันไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเหมาะสมกับการที่เราจะทําความรู้ความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในใจเราได้หรือไม่ วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโซกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธา น, นีก็ขอลาไปก่อนให้ท่านผู้ฟังตื่นตื่นด้วยความรู้ตื่นโดวยวิชาให้สลัดความไม่รู้เกื่อวิชาออกไปทำความแจ่มแจ้งในใจให้เกิดขึ้นได้จนถึงพร้